2.18 ความสุขของสมาธิเหมือนความสุขของเด็กไร้เดียงสาส่วนความสุขของวิปัสสนาเหมือนความสุขของผู้ใหญ่วงเล็บเปิด8ตุลาคม2550ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดจริงๆแล้วการภาวนาไม่ยากหรอกถ้าไม่ดือ้อดื้อก็คือทิฐิมากมีความเชื่อมีความเห็นเก่า คนเราถ้าลองยึดของเก่านี่รับของใหม่ไม่ได้แล้วถ้าของเก่ามันดีจริงคงพ้นทุกไปแล้วหละบางคนยิ่งพวกเข้าสมาธิได้มันเสียดายบอกว่าให้ออกจากสมาธิแล้วมาเจริญสติเจริญปัญญารู้กายรู้ใจมันไม่มีความสุขเหมือนตอนอยู่ในสมาธิความจริงมันมีความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขคนละแบบกัน ความสุขของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทียบบอกว่าเหมือนความสุขของเด็กไร้เดียงสาสุขในสมาธินี่เหมือนเด็กสนเที่ยวเล่นไปหมดเรี่ยวบทดแรงแล้วมันก็กลับมากินแล้วก็มาอาบน้ำแล้วมานอนมีความสุขบอกสุขไร้เดียงสาส่วนความสุขของผู้เจริญสติเจริญปัญญาเหมือนความสุขของผู้ใหญ่ซึ่งทางานสาเร็จสุขคนละแบบนี่ท่านเทียบเอาไว้หน้าฟัง ฉะนั้นเราเรียนรู้โลกนะเราก็ไม่หลงความสุขจอมปลอมมันก็สุขเหมือนกันนะสุขของสมาธิมันสุขจริงๆนะแต่มันก็ค้างๆไว้แค่นั้นเรามาหัดเจริญปัญญาเราก็จะเห็นกายเห็นใจมีแต่ความทุกข์เยอะแต่ถ้าภาวนาเป็นถูกหลักถูกเกณฑ์ในการเจริญวิปัสสนานี้ในขณะที่เห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์นะจิตใจมีความสุขมีความสุขตั้งแต่มีสติเลยมีสติขึ้นมาก็มีความสุขแล้วใจก็จะตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิ สมาสมาธิก็สุขไปอีกแบบหนึ่งสุขแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่สุขแบบเด็กไร้เดียงสาเมื่อบัญญาเกิดวิมุตต์เกิดนะความสุขมันเพิ่มเป็นลําดับลําดับไปความสุขอย่างเด็กไร้เดียงสามันก็สุขประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็เลิกไปแต่ถ้าเราภาวนาให้สุด ข, ขีดไปเลยเรามีความสุขทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความสุขอัศจรรย์บางคนบอกว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายพูดแต่ความทุกข์ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ในวงเล็บ ปจุตอจุ ด, จดประยุตโตวงเล็บปิดท่านเขียนเอาไว้ท่านบอกของเรานี่นะ่ะรู้ทุกแต่มันมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนี่ท่านเป็นนักปริยัตินะทําไมพูดถูกหลักการปฏิบัติมากเลยยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขความทุกข์มันจะห่างตัวออกไปเรื่อยๆแต่เดิมมันรู้สึกว่าเราทุกข์พอมหัาภาวนานะจิตตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นว่ากายทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ต่อไปฝึกมากๆเข้ามันจะเห็นจิตทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ กายทุกไม่ใช่เราทุกเนี่ยเห็นง่ายแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่แต่ถ้าฝึกไปจนถึงสุดขีดจริงๆนะจิตทุกก็ไม่ใช่เราทุกอีกพอเห็นจิตมันทุกสุดขีดสลัดทิ้งคราวนี้ไม่ทุกแล้วมีแต่ทุกทางกายแต่ทางจิตไม่มีความทุกอยู่ยังมีความสุขนะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็มีความสุขฉะนั้นไม่ต้องรีบตายพระอรหันต์ไม่ได้อยากตาย เพราะพระอรหันต์ไม่ได้รังเกยียจขันท่าคนที่อยากตายเร็วๆคือคนที่ยังรังเกยียจขันท่าอยู่วงเล็บเปิดเช่นไม่สบายมากๆอยากตายวงเล็บปิดแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่เพราะไม่ได้รักขันท่าเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากตายด้วยอยู่ก็ได้อยู่เล่นๆก็ช่วยไม่ได้ก็คนมันมีความสุขนะอยู่แล้วก็รอนะรอเดี๋ยววันหนึ่งจะได้แจ็คพอตอยู่รับแจ็คพอตแจ็คพอตก็คือวันซึ่งจะวางขันสลัดขันทิ้ง ฉะนั้นภาวนาค่อยๆฟังค่อยๆเรียนนะฟังไปเราจะพบความสุขที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะเห็นความทุกข์ที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆน่าอัศจรรย์มากคนในโลกอยากได้ความสุขนะแต่ไม่อยากรู้ทุกข์เลยไม่เจอความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์นะพอเรารู้ทุกข์เรากลับมีความสุขจะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายเหรือเรียกว่าฉลาดมากกว่า พวกหนึ่งตะเกียกตะกายหาความสุขอีกพวกหนึ่งตะเกียกตะกายหนีความทุกข์ไปไม่พ้นหรอกเรารู้ทุกข์รู้กายรู้ใจไปมีแต่ทุกข์นะทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นอย่างนี้ใจก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเห็นทุกข์ชัดเจนยิ่งมีความสุขชัดเจนแปลกจริงๆเลยใครๆก็ไม่อยากรู้ทุกข์ไม่อยากเห็นทุกข์เวลาทําบุญบางคนก็อธิษฐานนะให้ห่างไกลความทุกข์ร้อยโยอดแสนโยนดมันจะห่างได้อย่างไรล่ะ ก็กายมันเป็นตัวทุกข์ใจมันเป็นตัวทุกข์มันห่างไปไหนไม่ได้ไปไหนมันก็เอากายเอาใจไปด้วยมันห่างไม่ได้นะคนทั้งโลกหนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เรารเผชิญกับมันสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือกายกับใจเพราะถ้าไม่กายทุกข์ก็ใจทุกข์มีเท่านี้เองส่วนต๊กก็อี้ทุกข์อะไรไม่มีใช่ไหมทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นพอเรารเผชิญหน้ามันนะรู้ลงไปลงไปหมดความยึดถือมันหมดความรักมัน นี่รู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วไม่ยึดเองจิตใจก็พ้นทุกข์ฉะนั้นนิโรธมันไม่ได้แปลตื้นๆว่าดับทุกนะนิโรธจริงๆคือทุกไม่เกิดทําไมทุก์ไม่เกิดเพราะตันหาไม่มีทําไมตันหาไม่มีเพราะรู้ทุกแจ่มแจ้งฉะนั้นนิโรธไม่ได้แปลว่าดับทุกข์ตื้นเกินไปนิโรธมุมหนึ่งเป็นความดับทุกจริงๆคือการดับขันเป็นซีกเดียวของนิโรธเรียกว่าอนุปาที่เสสนิ พ, พานเป็นนิ พ, พานอย่างหนึ่งที่ดับขันลงไป นิพพานที่ยังมีขันก็มีนิพพานที่มีขันเนี่ยมันพ้นทุกข์ไม่ยากหรอกไม่เหลือวิสัยที่มันยากเพราะเราไม่รู้วิธีการถ้ารู้วิธีการแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายที่สุดเลยสมถะทำยากนะแต่วิปัสสนาที่ทำง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่กับโลกก็ยากใช่ไหมหาอยู่หากินวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะบางคนหาทั้งวันยังไม่ค่อยพอกินลาบากหรือมาภาวนาทาความสงบก็ยากนะ มีชีวิตอยู่กับกายอยู่กับโลกก็ยากมาทําความสงบใจอยู่กับรูปกับอรูปเป็นพรหมอรูปประรมก็ยากอีกจิตไม่สงบต้องทําให้สงบจิตไม่ดีต้องทําให้ดีจิตไม่สุขต้องทําให้สุขไม่ใช่ง่ายวิปัสสนากลับง่ายที่สุดไม่ต้องทําอะไรจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่สุขรู้ว่าไม่สุขไม่สงบรู้ว่าไม่สงบรู้หลวงแล้วก็เห็นเลยจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสิ่งซึ่งถูกกิเลสตัณหาถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใครดูออกบ้างหรื อ, อยังว่าจิตถูกตัณหาสั่งตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เป็นขี้ค้าเขามันจะมีความสุขได้อย่างไรถูกบีบคั้นตลอดเวลาอะไรบีบคั้นจิตตัณหาบีบคั้นตลอดเวลามันก็เป็นทุกข์สิเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัส อยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากเป็นอยากเป็นอันโน้นอยากเป็นอันนี้อันนี้อยากทางใจหรืออยากได้สมบัตินี่ก็อยากใจถูกตัณหาผลักตลอดเวลาหมุนติ้วๆนะทำงานถ้าถูกมันสั่งงานแล้วยอมตามมันนะมันจะโยนเศษเนื้อให้ชิ้นหนึ่งให้ความสุขนิดหนึ่งล่อแล้วก็สั่งงานชิ้นใหม่ทันทีเลยไม่มีหยุดนะมันฉลาดมันถึงครองโลกได้เป็นเจ้าโลกตัวจริงครองโลกได้ตัณหาผู้สร้างพบสร้างชาติสร้างโลก แต่ถ้าเราขัดขืนเช่นมันสั่งให้เราไปดูหนังเราไม่ไปมันสั่งให้นอนเราจะนั่งสมาธิตัณหามันจะลงโทษอึดอัดทุกข์กลุ้มใจมันฉลาดนะมันรู้จักให้คุณรู้จักให้โทษฉะนั้นมันก็เลยบีบคั้นครอบงำเป็นเจ้าชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดได้